ถ้าหาเป็นบัณฑิตในตัวมนแล้วพวกคุณก็รู้ที่หลวพจะพูดเคยปวดไหมเคยเคยดเลยารูวดเป็นไหมอย ค, คนอื <c oughs> นดไหมปวดไหด <laughs> เคยกดเป็นไหมเคยครับแล้วแล้วมันปวดได้มันดีไมหรือมันไม่ดีปวดแล้วไม่ดีไม่ดี <laughs> แล้วแล้วชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบกคนดูที่นี่ชอบไหม ไม่ใช่คนโอ้ไม่ใช่คนอันนี้นะโอนั่นเลยแปว่าเราลืมโตที่ที่ที่พูดกันฝังนี่คือพูดสู้กันฝังนะรกพราูดดสุกันฟังมีบางทีทางภาคกลางจะพูดยังไงเราก็ไม่ทราบคือว่ายังไงที่คพอบถ้าพูดว่าเราพูดยังไงเอาสพูดยังไงจังสั้นนะไอ้พูดยังไงยางไอยางไงพูดไว้ยังไงครับผมเนี่ยเรก็ไม่รู้เงี่ยตัวควบจรงโกดไม่มี ทำไมหลวงพพูดอย่างนั้นก็พูดคนจริงให้ฟังในเรว่าสัตว์เกี่เรื่องจริงนะครับเข้าใจไหมหรือยังไม่เข้าใจโกฎไม่มีไม่มีมีแต่มีมีแต่หนูพูดให้ฟังสัน ต, ตรงคือเ่าพูดตัวกลมจริงใจเพื่เราจะได้แนะนําวิธีกันนะมีกรไหมหรมอมีไหมไมีอยู่ที่ไหน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 ใช่ได้ความหมายใช่ปริบปญญานี่หมายถึงบัณฑิตผู้ชายปัญญาเออเป็นมีวุฒิปัญญาพอสมควรวันนี้แสดงที่มันโกรธนัน่นเราไม่มีปัญญาแล้วเราไม่มีปัญญาแล้วเราลืมแล้วไปทิ้งไว้ที่ไหนของปัญญามันก็ไปติดอยู่ในกระดาษเห็นหเราไม่ได้เอามาไว้ที่ตัวเราเลยถ้าเราเอามาไว้ที่ตัวเราแล้วถ้าเรามีที่ตัวเราแล้ว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 แล้วจะไปทำงานธนาคารต้องนิ่มนวนพูดดีมาจ่าเพราะเพราะเพราะเราทำงานตามหน้าที่ของเราเลยคนอื่นจะมายุ่งให้เรากดนะไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยหน้าที่ของคนพาอยังว่าคนที่ไม่เคารพตัวเองไม่เคารพพระคุณ พ, พระธรรมก็มีแต่เปี๊ยแผีแต่หมานเท่านั้นแต่คนนี้เองแต่ไม่ใช่คนเป็นคือใจผีใจเปี๊ยมาเพราะมันไม่รู้จักอ้ายนั้นเองอยงได้ไห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 ใจไร่ใจไร่ใจไร่ใจโคตรนนี้ยไฟนรกเลยไฟนรกเป็นเผาเมื่อขนาดที่เราล้อเนี่ยเราเป็นสัตว์นรกแล้วแ้่เราไม่เห็นว่าเราเป็นสัตว์นรกเลยเราจะปรารถนาไปที่ไหนจะเลี่จันนรกได้ไหมเลี่ไม่ได้มือนเรกก็จะเดินทางไปที่ตรงนี้แหละเราไม่รู้ทิศทางแล้วก็ไปไม่ถูกทางเลยเยหลวงพ่อพูดให้ฟังเลยว่ามาครั้งนี้ก่อนเตือนเป็นครั้งแรกนะเนี่ยนั้นให้เราเป็นบัณฑิตจริง ให้เป็นผู้มีภูมิความรู้ในหลักศนลปริยาตีปริยาโทสูงกับความรู้ที่เราเรียนมาและก็ให้มีสมบัติคุณธรรมดีๆว่าเราเป็นมนุษย์สกู้โตเป็นคนแท้ผมไม่ยอมเป็นสัตว์เดรัจารผมไม่ยอมเป็นสัตว์นรกผมไม่ยอมเป็นเป็ดผมไม่ยอมเป็นอสุรกายอย่ายอมเป็นสัตว์นรกเป็นยังไงอาจจะถามนะสัตว์นรกในใจมันร้อง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 ในสมัยครั้งพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตยอยู่ถนนจะเปียกอุบาร์จางเกลือให้สอนนะจ๊ะจริงไม่จริงขอฟังเอาไว้มีเปีตนนอนอยู่ตามถนนที่พระพุทธเจ้าจะไปบิณฑบ า, มพาพตามีพระภิกษสูดตามพระพุทธเจ้าไปร้อยองค์เปียกตัวนั้นมันร้องมันหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำโอ้พระพุทธเจ้าก็เลยสงสารสงสารัน ไ, ไปถึง เธอต้องทาไงอยู่นะเขาวิ่งก็ดูที่ขนาะน้า ม, มันไหลอยู่ที่ไนน่ยน้ำมันมีอยู่ที่นั้นสาะไรดีแท่ตอนี้นะก็ไปพอดีไปพะนั้นเนี่ยน้าไม่มีก็ล่มตูมลงไปอีกตัลวละรอ้อนไม่ได้กินนะ้ำทำไมทําไม่ไดไม่มีน้ำเนี่ไที่น้าเนี่ยมันไปที่ไหนน้า ม, มันแห้งเบ็นี่น้า ม, มันแห้งก็เลยไม่ได้กินน้ำพอดีอ้าวถ้ามันไปที่ไหนเราแไม่ได้กินเอาพวกเราทุกอ ง, ง น, นะครับมีมน้เนี่ยพระพุทธเจ้ากเลย เอาตักน้ําเต็มบาททุกองเลยติ๊กตู้จำนวนร้อยองคไปก็เอานอ น, นอนลงกับนอนนะต้องไปยกกอกลงองค์ที่สองจำนวนบาทลอยลูกเอาให้เปิดตัวนั่งกินเป็นยังไงอีกนึกยังมันพอจะได้ดด่นกลับไปรีมเท่านั้นเองครับนะน้ามันไม่ได้เข้าไปในท้องเลยค่าไปรีมเฮ้ยมันจนจะไปวิ่งทางบาตแล้วก็ลอยนี่เป็ดมันหลักบนะสิไม่นนพอคือเหมือนกับเราทํางานนี่เหมือนกันคือเราทํางานด้านนี้อยากได้ด้านอื่นเนะี่ยเป็ดแต่มันเปิดเปลแ้ว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 เขาถวายให้ไห้อีกทีเคยได้ยินหัหยไม่เคยเลยโอ้ไม้พูดว่าอย่างไรผ้าเหลืองเป็นเครื่องมืออาลาหากินยางนามเขาถวายให้ไห้อีกทีเข้าใจว่ายังไงบ้างไม่ใช่เครื่องมือากินเข้าใจ ไ, ปปไคคมหมนี่ๆเราบบไม่เคยเลยผ้าเหลืองนี่เป็นเครื่องมือหากินคนสลา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 ไม่เคยเรื่องนานเลยเี่ยเคยได้ยินไม่นานเลยแต่ก็มีเรื่องคล้ายกันบ่อยๆครับที่เรียกว่าคุกเรือนจำเลยเนี่ยทศตวรรษนี้ที่มันงมนี่มันวรรษนี้จหวชลบุรีชลบุรีเนี่ยนี้จะรื่จำทศตวรรไปเาตจับแตไอ้เสงนี่ยเคยเป็นนักบวชมาเคยเป็นสมถานมา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 ตำนวนกับเมื่ออเพียไปแล้วหลายคนเนี่ตามถามเขาว่าเห็นพระไปนี่เห็นตามไปตามไปถามรัดลไปติเข้าไปอะคนสาเดียวพวกํารวกัล้อมเลยเม้นไอ้แสงกิจเมนมันมมีแต่อหลักโเีเขามีถ่ายรูปองเี้ยถ้ามีรูปถ่ายรูปันถ่ายไปแล้วก็มีตัเรยนเขาลูกมาดูยันเม้นเนี่ในเสียบวแท้แนี่ยอะไรมีคนหนึ่งขึ้นไปแล้วพวกจำนวนที่หลายหลายคนก็อยู่ล้อมรอมตัวกลัวไอ้แสงจะโดดหนี อยาขึ้นแต่ก็เอาท้ายปืนตีอันนี้ยกท้ายปืนหรืออะไรครับท่านท้ายปืนท้ายปืนเนี่ยุณอยู่ทางไหนคุณผมอยู่พอกการอยู่เพชรบุรีอ๋ออยู่ปากการเลยคุณอยู่ที่ไหนมหาสารคามคุณอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทศนี่ยในลีเอยู่โอ้เจริญดูภาษาหลวงพ่อดีนะที่จังหวัดสารคามอาจารย์ดีนะเออที่ดีคเอาท้ายปืนตีเลย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 ถ้ามีคนยกมือไหว้สิอัญญาไปเตีเราต้องตีสวรรยกมือไหว้ขั้นึงหรือตีหกบาทหรือตีสิบาทเดี๋ยวขเขไม่จาจำไไาไม่ได้เนี่ยเขาไม่ให้ฟตำเวจตีมานี่ไม่ตีไม่ได้เนี่ยมันนี่เห็นคนมากนอัญญาปตตไปเตงมาตีเลยตำรวจตีเลยตีหกบาทเลยคงจะเจ็บนี้ยมันนี่ <S <S เจ็บมามันนี่ก็ต้อไปเห็นคนมากะยกมาตีเนี่ยนี่กันไอ้แสงเลไรรุ่นเป็นโทษของเขาเอย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 ถ้าเป็นพระอย่างที่ดวงพ่อเนี่ยอันนี้ก็สมมติเคยเห็นคนบวแล้วสึกไม่เคยเห็นแน่เลยนอ่นแหละบวชแล้วก็สึกอั น, นั้นเราสมมติเฉยแต่พระจริงๆอยู่ที่ไหนเนะี่ยเคยรู้จักไหาพระจริงๆอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเราเองตัวเราเองอยู่ที่ไหนมีที่จิตใจมีที่จิตในะเขนะ้าใจไหมพระจริงๆเนะี <c oughs> ่ยเขามีหลักสูตรอยู่อย่างนี้วสุ ป, ปฏิปโนโุเบปตาบาลี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 แปลว่าสงสาวกของพระเวยภาคเจ้านั้นโมเดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกแล้วถ้าเราปฏิบัติออกจากทุกคือไม่ปฏิบัติเอาปฏิบัติเพื่องาน <S <S. <S สามิจิปฏิปนุพัควตัตโตสาวกัสสังโฆเบนะจ า, าบราิสามิจิปฏิปนุพัคกวัตโตสาวกสังโฆ ส, สงสาวกของพระเวทภาคเจ้านั้นโมเด็ปฏิบัติสมควรแล้วคือปฏิบัติสมควรคำว่าปฏิบัติสมวควรคือไม่พลาดผิดผิดน้อยถูกมากอ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 ถ้าไปนั่งสงบอะไรบางเนี่ยเราจะทำยังไงดีจะู้คงแต่คนสงบกินเคยทำสมาถามไหมหนูเคยนิดหน่อยเคยนีหน่อเคยทำนะเคยนั่งสมาธิเคยนั่งสมาธิเคยทำไหมยังไม่เคยเลยคุณเคยนั่งหรอเคยเคยบ้างไหเคยเคยทำไหมเคยครับเราทำยังไงนับทำเลยนั่งนั่งหลบวัดให้หลูงพอดูทำเลยเราทเลยเราทำเลยทำเลยได้ทําังไงก็ได้ทำเลยทำเลยทำเลย หายใจเข้าเลยมันหลับตาหลับตานะอ๋อบันนี้หนูแก้คนาฬิกาเอาแขนหนูไม่เกี่ยวก็ได้เครียดนาฬิกาจะาแขอทดลองดูเพื่อจะให้เราเข้าใจนะยังให้ใจเข้าใจคุณค่ามันเราสอนของมกี่ยวางที่ตัวนี้ไก็ได้นะงั่ทงาทํากรรมฐานเลยหลับตาลองดูทำดูเดินตาได้แล้วหนูนาฬิกาหายไปไหนคืนที่เลยคื่อนที่เลยถ้า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 หมเพื่อนที่ลูกนอกเคาะผู้อยู่นอกบรนซีป่าซาผีดิบ น, น้ำศิษยลาล่างเ้าไม่ใช่ผลของเราพิกษุแก่คน แ, แว่แนว่โมคะบุรุษใส่ไม่ได้ยุ่ยี้บ้านเมืองเรามันมันเดือดร้อนเพราะอย่างเพราะผู้นำไงไหมนี่ผู้นํำนี่สาคัญนําไปทางไหนมาจากไปทางนั้นเลยที่หลวงพ่อนำมาเตือนเนี่ยไม่ใช่ตาหนินะมาเตือนกันเสรีให้เรารู้จักคำว่าพิากษุลาโมกันลูก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 ตอนตอนนี้คนะุณพ่อตอนทีมนน่มันมันเดือดร้อนอยู่มันเดอดร้อนเขาเรื่องอะไรเวลาเวลาปกตก็ทํางา น, านได้แนละจิตใจก็สงบดีแต่เวล า, นานมีมีสิ่งมันกระทบมาแบบดีซุ้ม ข, ขา้าวบัญชาหรือว่าเพื่อโรงงานอนะไรมันมันมันยั้งอยู่เแต่จะทํายังไงอ๋อไม่ยากเอยไม่ยากดูใจ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 อันที่มันโกรธขึ้นมาเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ใจเราเนี่ยรู้สึกตัวตื่นตัวเนี่ยรู้สึกใจตื่นใจงันไม่รู้ตัวไม่ไม่ตื่นตัวมันไม่รู้ใจมันไม่ตื่นใ จ, ม, น ม, นใจมันก็เลยเป็นไปตามที่เราไม่รู้ น, นั่นเองที่ที่ผมก็พูเข้าใจไหมนี่อาไปทํางานเไยทดลองดูนะวันนี้ทํางานก็ต้องรู้ใจนะเพื่อนเราหรือว่าผู้บอกคํามันซามาให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้เต้นเต้นนู้ดจะให้มันงานข้างมนะือ งานที่หนูทำยันยังค้างมือหรือเคยค้างมือเอาไว้งานงานของหนูี่ก็มีอย่านค้างคนทำให้มันหมดทำให้มันหมดไม่ทันทํำไมจะไม่ทันหมดนีวล่ะคาโอ้ทำไมมันต้องทําให้มันหมดนะที่เราไม่ทันนี่ก็แสดงว่าเราละเลยต่อน้าที่จ้หนูจะว่าหนูทําดีก็ไม่ได้เพราะงานไม่เสร็จเรายินดีทํางานอันนี้แล้วถ้าเราไม่มียินดีก็ไม่ต้องทํางานอันนี้เรายินดีเราพอใจกันอล้นั้นเราต้องทํา